เรื่องเรื่องบังเอิญของหมอฟันที่ชื่อนกโดยทันตแพทย์หญิงเหมวันดําริอนันต์ทันตแพทย์หญิงเหมวันดําริอนันต์มีชื่อเล่นว่านกทำงานประจําที่โรงพยาบาลเมโยนกไม่เคยไปวัดป่าบ้านตาดและไม่เคยได้กราบหลวงตามหาบัวเลย เมื่อเดือนกระกฎาคมพุทธศักราช2551ที่ผ่านมานี้นกมีโอกาสได้อ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งซึ่งทันตแพทย์ท่านหนึ่งได้นำมาวางไว้ให้อ่านกันที่โรงพยาบาลนกอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบภายในเวลาอันรวดเร็วและเกิดศรัทธาในองค์หลวงตามาหาบัวเป็นอย่างมากเมื่อทราบจากหนังสือว่าจะมีการจัดทาหนังสือหลวงตาเล่มสองจึงได้ส่งเงินมาร่วมสมทบทุน พิมพ์หนังสือเมื่อประมาณช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาขณะที่โอนเงินไปนั้นในใจก็นึกสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าหนังสือเล่มสองจะออกเมื่อไรและจะมีโอกาสได้อ่านหรือไม่แล้วนกก็ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปถึงสามเดือนโดยไม่ได้รับการติดต่อจากคุณหลวงอีกเลยอันที่จริงเป็นความผิดของนกเองที่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ไปให้ทางคุณหลวงทราบ เมื่อนึกขึ้นได้ก็พยายามกลับไปหาหนังสือเล่มที่เคยอ่านนั้นแต่หนังสือหายไปซิแล้วนกจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปที่คุณหลวงแต่คิดไว้ว่าจะไปเปิดเว็บไซต์ดูซึ่งก็ไม่มีโอกาสได้เปิดสถทีจนเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราชส5 5 1มีคนเอานังสือหลวงตาเล่มหนึ่งมาให้คุณพ่อพอนกเห็นหนังสือราวกับเห็นขุมทอง รีบเปิดหาเบอร์โทรศัพท์ของคุณหลวงในทันทีและได้โทรศัพท์ไปหาคุณหลวงทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นวันอาทิตย์โชคดีที่คุณหลวงยังนั่งทํางานอยู่เมื่อคุยกันนกได้ถามถึงหนังสือลงตาเล่มสองว่าเสร็จหรือยังคุณหลวงตอบว่าร้อยเรื่องเสร็จแล้วครับแต่กําลังพิสูจน์อักษรรอบสุดท้ายอยู่อ่านจนปวดตาไปหมดแล้วมามาช่วยกันอ่านเร็วคุณหลวงออกปากชวนง่ายๆแบบนั้นนกก็ตกลงทันที เมื่อคุยกันถึงที่ตั้งของออฟฟิศคุณหลวงแล้วนกกอรีไปช่วยคุณหลวงพิสูจน์อักษรหนังสือหลวงตาเล่มสองในวันนั้นเลยทั้งยังนึกในใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้มีโอกาสช่วยทําหนังสือหลวงตาเล่มสองนอกจากแรงเงินแล้วเรายังได้ลงแรงกายและแรงส ต, ติปัญญาอีกด้วยนกยินดีและภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําหนังสือเล่มนี้แม้ว่านก จะยังไม่มีบุญได้ไปกราบองค์หลวงตามหาบัวด้วยตัวเองเลยก็ตามบทความโดยทันแตแพทย์หญิงเหมวันดัมริอนันต์เสียงอ่านโดยโจโฉ